ซึ่งทั้งหมด8 0ด0มื่นสีรพัมคงันย่อแล้วก็มาเหลือศีล ส, สี่ปัญญา mm hmm. ก็เหลือแค่สามอย่างนี่นะเพราะฉะนั้นเราในช่งชวงเช้าเราฟังนั่นแล้วก็หลังจากฟังเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเดินจกกลมข้างในเดินกลับไปกิัมาท่านอาจจะนำโดยจุกกลมไปข้างหน้าบางถอยหลังมาทางนี้บางเพื่อที่จะให้ผ่อนคลายนะนนตอนนี้เราก็ฟังท่านดู Thank you. <coughs>